แต่เทวบาที่ประจำที่เป็นใสนั้นบอกว่าเช่นไปก่อนเธอเนี่ยอมิโมธน า, าแล้วเป็นอย่างไรขอให้ามาบอกเล่าให้ฟังด้วยว่างั้นคือเทวดาเป็นใจนั้นหน่ยไปด้วยไปแต่เทวดาองค์อื่นคืนจอจรมาพอไปอมิโมธน า, าพวกศรัทธาเจ้าจของกระถินแจกเล่าแจก สีรากันคนมาในงานเมาอีกฤทธิ์นึกน้องลืมตาไม่ขึ้นพูดลั่นไหนมีความสงบความเงียบไห น, นปฏิบัติตามเรื่องของธรรมพอถวายแล้วอ น, นุโมทนานแล้วก็กลับมาจะบุรุษคนนั้นอย่าจะฟาดว่า เลงถว า, ายจะถิ่นเป็นอย่างไรเขาก็ยังไม่หนีจากลมใส่คอยเทวดาองค์ที่ไปอ น, นุทนาะกลับมาก่อนจะมาพูด ก, กับเทวดาที่อยู่บนใสนี้ไดอย่างไรพอกลับมาถิ่นบนใสตรงเทวดาขี่ไปจำขี่ไปถามว่าเป็ไนไงจะถิถ่นเขมาห า, 4, 5, 5, 5. าเสด็ีผีทไปเขาบอกว่าิ่นเนา ทำไมถึงหนาวเขากินเหล่กินยาเออก็ะเลยะแค่ฮะโกลาหุนไม่มีคามสงบสงบในปัจจุบันตามตามทาเลยอย่างนั้นเพราะว่าโดยยินอย่างนั้นแล้วเทวดาตัวนี้ไปเไอ้คนคนนี้ต็มาเล่าให้เกดทีเกของศััทาฟังเกดทีก็เสียใจออเราทําใหม่เพราะเขาของเงินทางเราไม่อดทาอีกกอที่สอง ทางนี้จะมึยต้งองเอาเล่าเอาย า, างมาเกี่ยวข้องแต่เท่าขา่าววัวข่าฟควายขาวหมู ข, า ข, าขา่าวไก่ชนอย่างใหญ่อย่างโตคนมาในงานจิตหยิบน้ำสำลามทำกันอย่างเต้นที่ใครมาก็ชิมกันไม่ได้คิดถึงการทำอย่างนั้นมันจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรเขาทำไปเพราะ เขา่อยอดาทใจเดือดอ่เพอใจทำใจเดือดซําเห็นขงตกตกตอทางตาชิดแผตายคืทำใจเดือดความชอบใจของตัวเมนื่อยทิ้งาอไอ้ใจเสอผีก็ให้รางวัลแก่คนนั้นค่อ้าดักฟังดูอีกเทวดาก็จะทำหนนินทาหรือสงเวยสอย่างไรก็จะให้รางวัลแก่ท่านยังไงครับ ชาได้ซ้จากเทือว่ดามาบอกกับเราคนนั้นก็ยินยืเติมใจไต่อีไตบักเติมใจเติมเก่าพอถึงเวลาทอดศะกษาเพื่อว่าดามะโนธนามอีเพื่อว่าดาองนั้นก็ไม่ไปไม่น่าไม่เพก่อวาดาองยืนอยู่จะบอกว่า้าตัดทอดเสร็จอนนี้งาท่านเสร็ ชอบมาแวะเล่าให้ฟังง่ายอย่างนั้นพอเขาถเสร็จออกมาเล่าอยากจะจินน่าแต่จินมทาานี้แต่ินเท้าก่อนแต่จิ้มบูดแต่จิ้มตั้งที่สองแต่ิ้เน่าพอได้ยินว่าเปน่จิ้เน่าคนที่มาดักฟังขอไเล่าให้เสร็จทีฟังเสร็จทีก็อย่าใจอิดทำอีกจะแก้ไข เพราะในยังค้นจัเกิดจัดินยังอยู่ในการจัดินเขาก็ทำกันรีบเรื่องเพราะกลัวลนเวลามันจะหมดไปมันจะไม่ทันกับการกับสมัยทำทางนี้ดูดาใช้คนใชายพทยกรมกรต่าง ๆ, าๆานานาไม่ทัทนใจก็ด่าเอาดูเอาจิชีวิตมีความโสด ไม่จิตในใจเพราะชายคนไปทำอันนั้นทำอันนี้มาถูกใจกระดาก็ะร้าถึงดันเวลาไปพอดทางนี้นมีเหล้ามมีตามค่าสัตว์ตัดชีวิ์อาหารตามยิ่งต่างๆที่จะไปถวายพระเจ้าพระสงฆ์ก็ใจน่าจากตลาดไม่ไปสั่งมาข่ามาทาที่บ้านเหมือนก่อน คือเอาสิ่งูี่บริสุทธแล้วมาทำไม่ลยเอาจับตนมาข่าในอังลามาแะในงานแ่เขาดูด่าโกรธคนอื่นถ้าไปถอดจะให้รางวัลแกคนนั้นไปดักฟังอีกเทกระดาไมาเขียนเทกระดาที่เป็นใต่เทกระดาเองค์เป็นใจ่ตรงมาอีกนั่นเก่าขาจับขาเป็นอย่างไรเชิมาแว S 1> <S 1> อนินี้โยธาาเกิดนแล้วเทวดาเนี่ยได้รับอันอนีน้โยธาาก็มาแล้วะมาบอกเล่าเกิดขินเกิดผีนีส้สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเีอย่างคือเป็ น, นกระขึ้นใส่หมอเพราะจิตใจของเ ก, เกิดผีใ่บริสุทธิ์โกรธหลังนะควรไปบอกใหเกิดผีฟนะังเกตุต้องอให้ร่างวันเชื้อใจ เขทำมาสามครั้งแล้วไม่มีกระชินอะไรที่บริสุดธิผุดผองให้ก็แล้วทำอีกครั้งที่สี่ครั้งที่สี่เขาทำดีเน่โกทยไทยเวลาย า, ย า, มาเยมากนไม่ไดเอามาเกี่ยวข้อส ง, งสัตว์เนไม่ยเอามาค่าทำอย่างบริสุดิใจเนี่ยทิ้งรันทิ้งเวลาไปทถดกระกาศให้เพื่อนกาดาังมาเอางูทนาอีก เทวดามาเหนือธ น, นาราวนี้กลับไปหล่ยสูเทวดาองค์ที่อยู่เป็นใจสังวัดกสะชิมบริพุดเนี่ยกรชิมที่พูดกันในสมัยคนโบราณูือจะมีกริมดุกระิมเ น, น่ากริมเต่ามองกระชิมรชบริพุดนี่หมายถึงการทำของเบรษฐีคนเดียวที่ทาอย่างนั้น ทำแบบพือบวชมันก็บูดทำแบบคือน่ามันก็เน่าทำแบบใส่หมอมันก็ใส่หมองทำแบบวิริสุทธิ์มันก็บริสุทธิ์เรอยู่ในจิตในใจของคนที่ทำบวดเน่าใส่หมองหรือวิริสุทธิ์นใช่มันเกิดจากที่อื่นมี ร, ราไม่ทำอย่างนะั้นเราทำตามธรรมมาทิ พ, พยทใจี่พระพุทธเจา้าทรงมันยัดเอาไว้ทำไปให้ถูกต้องตามธรรมดีไหม จิตใจทังเราเลื่อมใสจิตใจเทั้งเรายินดีที่จะทําเพราะไม่ใช่ทําบอกเล่าไม่ใช่ท่านบังคับบัญชาเราทําตามกําลังศรัทธาทําตามความสามารถของเราเราไม่ได้ออเหล่าออยาไม่ได้เลื่อนเอกราชีหาส่วนอื่นไม่เกี่ยวข้องเราทําแบบสงัดปฏิบัต ให้ถูกต้องตามธรรมด้ยไหมอันนี้ส่งที่เราทำไปจึงสมบูรบริสุทธเราจึงควรตื่นจิตยืนดีในตานจต่ทำบำเพ็ญคงตนเพราะทำแบบนี้เป็นทำตามโอวาทผิ้พระพิทักเจ้าทรงสอนไม่ได้ทเอาโลกาที่ประใโลกเขาทาอย่างไรเราไม่ได้ทำไปตามโลกไม่ได้เอาอัตตาที่ประใ แต่เรามีความเห็นอย่างไรจะถูกทำดีในยหรือไม่ช่างมันแค่เรามีหน้าที่จะทําและจะทําไปตามความต้องการของเราหรือเป็นอาตาัตตาทิพไตายถ้าทำมาทิพย์ตยแล้วจะทําไปตามอาัตตามธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนมีกุ๊กท่านพุทธศาสนิ ก, กชนจิตเป็นจ่อภาพขอทําตามธรรมมาทิพไตายไม่มีอะไรยื่งเกี่ยว เอกฤกตัวลางเห็นทำตามผีพระพุทธเจ้าทรงเแง่ทรงสอนจึงเกิดอนิสงส์มากมาในจิตในใจในพบต่อใจของตัหนึง่งปูดถึงอย่องกระถิน ท, ที่ท่านเล่าเอาไว้เป็นตะําตะระจํากันมาแต่อานิสงท์ขงกระถิ่นนั้มนมันมีมาก คนที่เคยทําอนิสงส์ในสมัยพุทธกาลในสมัยเก่าก่อนทางเก่าถึงปัจจุบานที่ทํากับถิ่นกับมหาเศรษฐีมีอนิสงส์ปัจจุบันแต่คนนี้มีอานิสงส์อย่างนั้นเพราะเขาทากันจริงจังมหาเศรษฐีเพราะทำบุญจองกับถิ่นกับทอดกับถิ่นในบ้านมหาเศรษฐีก็มีคนจํานวนมากปัจจุบานคนนี้ ไม่มีวิชาความรู้อะไรก็เลยจะอาศัยเสด็ีจะให้ทการทางานหน้าที่อะไรเขาต้องมีวิชาความรู้กินน้ำบานคือหมายถึงเบือที่รักษาสวนญ้าด้หญ้าให้มหาเสดษจีแต่ละวันเสด็จีให้ข้าวพอได้ยู่ได้กินเป็นมันบนไปเท่านั้นไม่มีเงินเยนเงินดาวอะไร เขาเขาอยากเฉลิมเฉลิใจโดจกินมันก็เป็นพอของเขาเขาอยู่กับมหาเศรษฐีถึงการถึงเเวลาจะขินข้าเศดษฐีจะแต่งงานใหญ่โตเขาก็สงสัยว่าท่านเศรษฐีทําอะไรกันแบบนี้เจก่อนเก่าไม่เคยเห็นทำแบบนี้จะทำบุญเพื่อทานอะไรเศรษฐีก็อยากจะทอดแต่ขิน เอกินนี่มันมีอันิี้สงอย่างไรเขาก็สนใจถามเจดีย์เรามีอันิี้สงสงยิ่งใหญ่าทำทำนาเอกินเขาก็ยินดีเต็มใจมีศรัทธาแต่เท่าว่าเขาไม่มีอะไรที่จะอันนี้โยานากับมหาเจสีย์เพราะเงินทองเข้าของก็มีนี่พลาดคนเดียวจะนุ่งอยู่แค่นั้น เราจะทําอย่างไรเราเกิดมาอดอยากเสียจนเช่นใจไร้ทรัพย์อัตมยากระชากเก่ากวางและไม่เคยทําบุญชินทานอะไรมาเราจึงจึงอยากอนาถาอย่างนี้จิตใจมันคิดวกไปอย่างนั้นอยากจะทําบุญทํากุศล ร, ร, ร, ร่วมกับมหาเศรษฐีเป็นอย่างยิ่งแต่คิดหาอะไรไหน่อนี้ที่จะทําก็เลยเห็นแต่ผ้าที่ตัวหนึ่งอยู่เช่นเดียวเท่านั้นเรยเปลี่องผ้า คือนงอยูหาใบไม้นะกับนึ่งเป็นผ้าแล้วนำไปซักฟอกขายในท้องตลาดในเงินเชียง์บาบเยียกเอามาอนุโมทนากับมหาเศรษฐีก็พอดีเข้าของบริฐานทุกอย่างเต้มบูรไม่มีอะไรขาดตกบกพ่องแต่ไปขาดดู ได้ยศผ้าในมีลืื้อมาเงินบาทนั้นเขาไปคือได้มา็นได้ยศผ้าพอจะเสียสละไปกับมหาเศรษฐีเท่านั้นเทวดาในมีโลกกรถาส่องสรนละเอียดเสียงโอกรเลกอกกางหุนจึงไม่เคยมีมาตั้งแต่ไหนจะไรเสียงอย่างนั้นทั้งทั้งทีนี้ เนเมื ies, ่อเห็นตัวอะไรแต่เสียงนั้นดังลั่นขึ้นเสียงสาธุการจากการให้ทานจีนบานทําไปเงินบาทเดียวเจนเสียงนั้นลั่นเข้าไปในราชวังของพระเจ้าส่วนิงถามถึงว่าเสียงอะไรพระเจ้าแผ่นดินก่ตกควาไทยอยาจะเกิดเรื่องอะไรใหญ่โตขึ้นพระไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงแบบนี้ ก็เลยถามเรื่องต่างๆสืบสาวกันไปโดยท่าบวาเป็นเทวดาอานิโมทนาแต่ินจากกินนาบานคือเชื้อ ส, สลักผ่านหนุ่มของตัวเอาไว้มากักจัดนึ่แทนผ้าอานิโมทนาเรื่องการแต่ินจากมหาเศรษฐีถ้าจะเห็นยินดียินอย่างนั้นก็ยินดีอยากจะพบหน้ากินนาบาน ให้เขามาหาจ่าราชสัทานราชสัทานสินของให้แต่ขุนบานเขาก่อในสร้างที่จะเขามาให้จะระบุรุษในราชสวัางไปเกี่ยวเชิญเขาก็มีนท่านน่งทางหนจะเขามาเนี่ยราชสวังมาหาพะเจ้าอยู่หัวก็กลัวละอายพราเจ้าอยู่หัวให้คนไปเชิญมาอย่างนั้นเขามา สั่งเสียมาว่า้ม่าที่จะมุ่งเข้าไปเพื่อผลยิงกูพระราชทานผ้าที่สวยงามให้แกเขาให้จึงมาในราชสว่างแล้วก็ขอซื้อบุญกุศลจากกินมาบานกินมาบ า, า, านไม่ยอมขายจะซื้อเทรังให้เทรายไม่ขายขายบุญขายกุศลจีงเป็นทาไป ข้าเจ้าคนก่อนใมือขวนม้ามังคาคือจะใเขาขายได้นะเขาคนฐานให้แต่ถ้าจะเอามือพนาด้วยเขาให้เอามนาข้าเจ้าควยืินก่อเลยเอามือพนาด้วยแล้วจับสิ่งของต่างๆนานาจนจินนาบางเป็นมหาเศรษฐีในชาติตุบันเพราะข้าเจ้าควยิน พระราชทานเขาของเงินทองให้มี อ, อายุสูงใไปัจจุบันที่เขทํากันอย่างจริงใจนอกจากนั้ น, นเมื่อเขาหมดอายุทั้งขานตายไปจากศาสมนุษย์เขาก็ไปเกิดเป็นเถรพระบทอยู่ในสวรรค์มีสูดถึงตําหวัดตําราอายุสูงของกับถิ่นสุเราท่านก็ในสากว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนจะเป็นจริงหรือไม่ อาจจะมีความสงสัยกันแต่ถึงอย่างไรก็ดีเมื่อเราเด็ดทําลงไปเด็ดศรัทธาคํามเชื่อความเฉลียวใส่ทำไปเด็ดความยินดีกันใจนั่นแหละสวรรค์ใจของพวกเราท่านมันสุขมันสบายอยือกเย็นภายในแตนจึงอยาๆสวรรค์อยู่ในอกในลึกอยู่ในใจในเดือร้อนวุ่นวายในเหมือนไฟไหม้ในเหมือนเตนลักไป ถ้าเราทำด้วยความเชื่อความเฉื่อวใสทำด้วยความยินดีเต็มใจเต็มสวรรค์เราลึก <mee> ขึ้นเหนือใดที่เราทำไปใจของสายใจเยือกเย็นใจเป็นสุขนี่สวรรค์ที่เราทั้งจะทราบกันเหน่อใจเต็นสุขใจสบายใจเยือกเย็นอย่างนั้น เราจากโลกไปเพราะความดีความเด่นความเยือกเย็นความสุกมีใจเราก็ไปฝู่ฝุกคติถึงเราไม่เคยรู้เคยเห็นกัาสุกคติอยู่ที่ไหนการดูที่เราสะสมเอาไว้จะนำไปเหมือนกันกับเราไม่เคยเห็นนรกอาเวจีว่ามันทุกข์ยากลาบากขนาดไหนแต่คนที่ทำชั่วทำเสีย เขาเคยไปเคยเห็นการเดินจิต เ, เขาทำไว้ก็ไปได้ไปถูกพูดง่ายๆอย่างเห็นกับตาสมัยปัจจุบันทุกวันนี้คนที่ท ำ, ชทำ เ, ทเชื่อทำเสียถึงในเชื่อว่าคุกตรางมีห้องขังมีแต่เขาข้าศิลักษ์ขโมยต้น chi คนเหล่านี้จะไม่เชื่อ คอื่นที่เขาดูเขาเห็นเขาทาไม่ดีอย่างนี้เขาจะมาจับจูงคุมตัวเองติดคุกติดตารางนะไม่เชื่อว่ามีคุกมีตารางก่อนตาเนี่ยเขาทำไปใยอดไม่ถอยก่อนเดิเข้าเจ้าหน้าที่จับไปเตือนเป็นอย่างไรเขาเคยใส่เคยมีมาก่อนเขาก็จะเห็นห้องขังตารางเป็นอย่างไรเขาก็จะเห็นเด็กตัวของเขาเองเพราะความชั่ว ที่ตัวทําไปให้ผลนี่นรกในชาติตจุบันพอเห็นกันได้แต่นั้นการทําดีทําชั่วอย่าไปคิดว่าทําดีไม่ไดีดีทำชั่วไมไ่ชั่วอย่างภาษานักศึกษาปจปุันทุกวันนี้เคยได้ยินว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไป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 เขาคิดอย่างนั้นแต่ความจริงเข้ามาได้คิดนิพจน์นาตามเจริงถ้าหากเขาี่ดนิพจน์นาตามเปนจริงเขาจะทราบเพราะความดีทําดีนั้นมันจะได้ผลตอบแทนเขาทําเชื่อที่เขาทําชั่วไปผลกวรจะตอบแทนเขาอีกเหมือนกันเช่นเขาเป็นนักศึกษาเหล่าเรียนได้เป็นข้าราชการเขาหนัศึกษา เรียนอะไรต้องสอบเขาจะตกหรือเขาจะได้ถ้าเขามีความรู้เหเคยศึกษาในต่างหน้าต่างตาทาความดีอะไรไปสอบแลือได้คะแนนสูงกว่าเขาเคยมีไหมไม่รู้อะไรก็สอบหรืเปครูอาจารย์ในโรงเรียนให้คะแนนเขาเื่อนตั่งเรียนภูมิของเขาขึ้นแล้วเขาดีเขาเด่นเขาเปิดอาจารย์ในงาน มิเต็มเสียวมีเต็มเชตาล้านลานไหนเอาฐานอะไรไหนไปทาการทางานตามหน้าที่ครบถ้นถึงการถึงเวลาเขาจะเรื่องขั้นราชการให้ได้จนเรื่องเงินเดื่องก็ดีเรื่อนขั้นเลีก็ดีเขาเคยเคยรายงานไหมผมไม่เคยไปทางานราชการอะไร พัน er ี้ไปกินเหล้าเมายาไปเอกะเลยเชิงหาไปเที่ยวที่นั้นที่นี้เขาเคยรายงานตัวอย่างนั้นไหมคือขอขันพอคุณจะกจั่งนายผู้ใหญ่ไม่ใช่เขียนไปอยู่ความดีของเขาเขาจึงเหื่อยขันจนคำนั้นทคานี้คุณไปไม่ใช่เขารายงานชั่วเขารายงานคำดีถ้าหาก เขาทำงานเชื่วเลยอย่าไปหวังว่าเขาจะมีเงินเดือนเลื่อนขึ้นหรอกจากเขาจะตกเก้าอี้ของเขาเท่านั้นนี่มันก็พอสร้างได้แต่ทำดียังมีผลดีตอบแทนทำเชื่อยังมีผลเชื่อตอบแทนไม่เชื่อไปที่ไหนด่าเขาด่าไปตีเขาด่าไปเขาจะด่าเราตอบตีเราตอบหรือไม่ด้วยเขาจะถือว่าเรานี่ดีดีเสื่อมแล้วไปสถานที่ใด ตีเขาจึงเยอเกินด่าเขาจึงเยอะเกินเขาจะทำไม่เฉลิเเลยมันไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อทาอย่างนั้นเขาจะต้องด่าต่อตีต่อถ้าไปว่าเขาทำความดีแก่เขาเขาเลยจะต้องว่าแล้วต่อในความดีบาปบุญยังผลผลไปจากไม่ใช่ว่าบาปบุญมีชั่วมันปนไปตามลมปาของคนมันมีเหตุมีผลของมัน เราทุกท่านจึงควรชื่อมัน่นทำกันในสิ่งที่ดีถึงแม้ห็นผลในปัจจุบันทันต า, ขานเขาหนึ่งสังเระสนยนยอก่อตามแต่จิตใจของเราที่ทําไปด้วยความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจคลองตัวเรามีความสุขความส บ, บายอย่าไปคิดเขาตำหนิยยนทาอย่างนั้นอย่างนี้ความดีที่เราทําไปเขาไม่เห็นของเรา เขาทำอยู่เป็นลมปากของเขาแต่เราได้ทําดีแล้วเราดีไปเราบริสุทธิ์ใจนี่คือความดีเหตุผลในคนที่ทําดีจึงควรทีนิ้พุทธะไรมาสะสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าไปคิดว่าเราเกิดมาตายไปเราศูนย์ไม่มีอะไรคุณงามความดี ที่ทำไว้ไม่ก็สูญไิเพราะคนเกิดมาไม่เคยได้ยินใครมาบอกพูดเจ้าอ่ะเดี๋ยวยวินเล่กกูสื่้นที่ได้ทำไว้อย่างนั้นอย่างนี้ที่ันมาเกิดเป็นมนุษย์มันคนมันขืนลืมพบพลาดก่าจะมาถึงมันเงินาก่อ จ, จะมาเกิดหรือ ม, มาเกิดเร็วกว่าตาม มันก็หลงลืมได้ในตอนพูดถึงพบชาติที่มันนานไปขนาดนั้นใจเช้ามานี้เราหาใยใจอะ้รกี่ทีมาหนังอย่างนี้ยันเพียงถามแต่นี้ถ้านที่หายใจอยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าเราหายใจออกกี่ทีเท่ากี่ทีการคิดนึกของเราผิดจารของเราจีทาําวันนี้เดินไปกี่ก้า ยังถามถึงก็จะจิดกันทั่วไปเพราะความลืมความเหนือยใจใส่สก็มคาตจะเหมือนกันมันลืมก็ได้มันหลงก็ได้สัญญาอนิจ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าหักตายแล้วไม่เกิดทำไมคนมันเต็มโลกอยู่มันมาจากอะไรไอ้ที่เจนะไอเขอาใจคระพุทธเจ้าท่านระู้ท่านส า, า, า, ามากในใจคนมืดบอดแบบพวกเรา ทำสอนโดยความบริสุทธิ์ผนมีความเห็นพยายามอันแยมแ้งว่าสัตยทร่ดีแล้วจะได้ไปสู่คติอันนีคติที่งามสัตยที่ทเชั่อแล้วจะได้ไปสู่ที่เชื่อที่เสียผ่นมีพระเนตตาเริญนาสงสารสันโลกผ่านจริงมาเนี่ยสอนดยวย่ไดคิดมูนค่าสาระอะไร ถ้าใครเชื่อใครเลื่อนใสเต็มใจ ป, ปฏิบัติตามธรรมที่ท่านสอนคนนั้นก็จะมีความสุขความสบายแต่คนใดหนึ่เชื่อไม่เลื่อนใสเอาแต่พิจารณาที่เหลือปัญหาของใจเป็นศาสดราแทนพระพุทธเจ้าคนนั้นจะย่ำแย่ไม่มีโอกาสเดือนลา จะพบปะความสุขความเจริญให้แต่นั้นพวกเราท่านที่มีโอกาสเวลามาทําบุญเสวนทางมาหากรถินวันนี้ก็จงพางตนยินดีเติมใจในบุญกุขนของตนเพราะเรามีโชคลาที่ได้จะ ท, าทาําบําเพ็ญกุณงามาความดียอย่างนี้ให้ยินดีให้เติมใจให้จิตใจของใสให้ใจิตใจเบิกบาน ในการจะรทำบําเพ็ญในใจว่า บ, บุญบาปไม่มีบุญบาปยังมีคนทำดียังได้ดีคนทำชั่วยังให้ชั่วอย่าไปเชื่อคนพานสันดานอยากอย่าไปเชื่อคนมืดคนแบาปอย่าเชื่อพระพุทธพรเจ้าเชื่อผู้ดีมีสตรีปัญญาเชื่อนักปราชญ์เชื่อาาอาจารย์อย่าไปเชื่อคนพานคนชั่ว เหนือทุกคนสนใจที่นิพยนาอย่างนั้นความเสียเสียต่างๆที่เคยทํามากว่ดีที่ยังไม่ทําก็ดีอยา่าไปคิดบัญญัิจะทำในความชั่วให้เว้นให้ใจอย่างความชั่วถ่วไปเพราะจะให้ผลเป็นทุกข์ความดีส่วนใดสิ่ควรประกอบจะทำบำทําเพ็ญถึงใจไม่อยากขอให้บังคับ ให่ทําคุณงามความดีเหน่ำนั้นเหมือนกันกับคนไข้ในชอบยาแต่เท่าไา ย, ยานั้นเมื่อทานลงไปแจะไขโรคไขให้หายได้ก็ฝืนใจดื่มฝันฝืนใจทานยา น, นั้นนนั้แจ่โรคไขภายในกายจะเดือหายไปใจของเราคือไม่ชอบไม่ยินดีในคุณความดีก็ทํางางเดียวกันให้ฝา่าฝืนมัน ทำความดีต่อไปความดีที่เราทำไว้จะอําเนยอวยชัยให้ผลมีความสุขแก่รนคงตนในภพนี้และภพหน้าการอธิบายธรรมะเห็นแบบพอสมควรเสียเวลาพอยุติเพียงแคนี้